ได้พูดถึงการศึกษาทดลองเกี่ยวกับลิงนะลิงที่เขาใช้ในการศึกษาทดลองนี่เป็นลิงที่เลี้ยงนะเพราะฉะนั้นมันก็มีความเชื่องพอสมควรสั่งให้เอากรวดมาให้มันก็หยิบมาให้ได้แต่ว่าลิงส่วนใหญ่นะมันอยู่ในป่าลิงเหล่านี้เนี่ยจะ ไม่ค่อยเชื่องเท่าไหร่แล้วก็แถมก่อความรำคาญหรือว่ารบ ก, กวนผู้คนซึ่งก็กลายเป็นปัญหาที่ต้องจัดการอันนี้จะมีวิธีการจัดการกับลิงที่ก่อกวนได้อย่างไรนทางภาคใต้เนี่ยเาก็มีวิธีการนะแต่ว่าเขาไม่ใช้อาวุธไม่ใช้ปืนไม่ใช้หนังสติก ไลมันแต่เขามีวิธีการที่แยบคายกว่านั้นนะเช่นเขาเอาลำไม้ไผ่เนี่ยกะบอกไม้ไผ่เนี่ยนะเจาะรูเล็กๆพอที่จะให้ลิงเนี่ยเอามือลอดเข้าไปได้และในนั้นก็มีถั่วนะหรืออาหารที่ลิงชอบลิงพอมันมาถึงเนี่ยมันรู้ว่าข้างในมีอาหารมันก็ เอามือเนี่ยลอดเข้าไปเราไปคว้านะไปหยิบเอาถั่วตอนนี้พอมันจะดึงมือออกมาเนี่ยมันก็ดึงไม่ได้เพราะมันติดนะเนื่องจากรูที่ให้ลิงเอามือลอด น, นี่มันมันเล็กนะมันก็มือออกไม่ไดนะ้มันก็เริ่มตกใจแล้วแล้วมันก็พยายามดึงนะ พยายามดึงเท่าไหร่ก็ดึงไม่ออกจนกระทั่งคนมาเห็นเจ้าของสวนมาเห็นเนี่ยมันก็หนีไม่ได้แล้วเพราะว่ามันปีนต้นไม้ไม่ถนัดเพราะมื่อข้างหนึ่งมันติดลําไม้ไผ่กระบอกไม้ไผ่อยู่สุดท้ายมันก็ถูกจับได้นะอันนี้ก็เป็นวิธีที่ใช้กันในหลายแห่งนะเรียกว่าเป็นปูมิปัญญาที่ กระจายไปทั่วโลกก็ได้แต่บางแห่งก็ไม่ได้ใช้กระบอกไม้ไผ่นะอย่างเช่นในอเมริกาใต้เขาใช้พวก อ, อย่างมะพร้าวเนี่ยนะแล้วก็เจาะรูเล็กๆนะพอให้หลิงเอามือล่อเข้าไปได้แล้วก็ใส่ของอะไรเข้าไปถั่วอาหารแล้วก็ผูกมะพร้าวนั้นไว้กับหลักนะก็ปล่อยไปยงไั้นแหละ ลิงมาเห็นก็เหมือนเดิมนิสัยมันคล้ายๆกันมันก็เอามือลอกเข้าไปแล้วก็กมแล้วก็ดึงออกมาไม่ได้แล้วก็พยายามดึงอยู่นั่นแหละดึ ง, งนันแหละมันดึงเป็นวันเป็นคืนเลยนะแต่ก็ออกไม่ได้สักทีจนทั้งหมดแรงเลยนะในพรานหรือว่าเจ้าของสวนนี่เขาต้องทำอะไรมากนะเขาก็มาเห็นตอนที่มันหมดสภาพแล้วหมดแรงนะหมดแรงเพราะอะไรเพราะดึงอยู่นั่นแหละดึงทั้งวันดึงทั้งคืน จริงๆเนี่ยเพียงแค่มันปล่อยนะเพียงแค่คลายมือนะมันก็เป็นอิสระแต่ทำไมนะมันถึงไม่ยอมคลายก็เพราะความโลภของมันนะมันยังหวงมันแหนนะการที่มันยึดถั่วกรรมถั่วไว้นี่แหละทำให้มันไม่สามารถจะเป็นอิสระได้บางทีก็ถึงตายนะ ส่วนใหญ่เขาก็จับลิงพวกนี้ไปเอาไปขายเพราะเป็นลิงที่ปแปลกๆลิงหายากนะให้ลิงคาปูชินเนี่ยที่เราเมื่อวานนี้รุ่นพ่อรุ่นแม่มก็คงจะมาจากการจับประเภทเนี้นะตอนหลังก็มาเลี้ยงเลี้ยงไว้จนกระทั่งออกลูกออกหลานก็มาใช้ในการทดลองลิงเหล่านี้ที่พูดมาเนี่ยนะถ้ามันไม่กำไม่ยึดนะ มันรู้จักแบรรู้จักคลายเนี่ยมันก็ไปอิสระแต่เพราะว่ามันกำเอาไว้แน่นมันก็เลยต้องเจ อ, เ, อเรื่องเดือดร้อนภายหลังคนเราก็เหมือนกันนะคนเราเนี่ยความทุกข์ทั้งหลายของผู้คนเนี่ยโดยเพราะความทุกข์ทางใจเนี่ยก็เกิดจากความที่ไม่รู้จักปล่อยรู้จักวางเป็นเพราะการยึดเอาไว้นะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ยึดด้วย หรือกำด้วยมือนะแต่ว่าไปยึดไว้ที่ใจนะแล้วพอยึดไม่ปล่อยไม่วางเนี่ยนะมันก็เลยทุกอะไรบ้างที่เรายึดนะยาเนื้อคือเรื่องที่มันผ่านไปแล้วนะเรื่องที่ผ่านไปแล้วคืออดีตเนี่ยเรื่องที่สร้างความเจ็บปวดเสียใจให้กับเรานะเช่นโทรศัพท์หายหรือว่า ถูกต่อว่าด่าทอถูกโกงนะความสูญเสียคนรักมันผ่านไปเป็นเดือนเป็นปนะีแต่ว่าใจเราก็ยังไม่ยอมให้มันผ่านไปก็ยังยึดเอาไว้บางครั้งก็ไปยึดเอาความรู้สึกผิดนะทำไม่ดีกับคนรักพ่อแม่แล้วเขาก็จากไป หรือว่าทำดีกับเขาไม่พอไม่มีเวลาดูแลเขาจนกระทั่งเขาจากไปก็เสียใจผ่านไปเป็นสิบปีก็นึกถึงทีแ้วก็ยังเสียใจอยู่เงินที่หายผ่านไปเป็นเดือนแล้วก็ยังเสียใจเพราะอะไรเพราะว่าไม่ปล่อยไม่วางยังนึกถึงอยู่นั่นแหละ แล้วเกิดอะไรขึ้นตามมานะมันไม่ใช่แค่เสียเงินนะเสียใจแล้เสียใจทั้งนี้ไม่พอนะเสียอย่างอื่นด้วยเสียสุขภาพเพราะว่าไม่ยอมกินไม่ยอมนอนกินไม่ได้นอนไม่หลับมีครูคนหนึ่งถูกกลองไปเป็นแสนเสียใจมากขับแค้นใจไม่กินไม่นอนเลย เป็นเดือนนะถึงข้างร่างกายนี้ยำแย่พ่อแม่บอกว่ากินเถิดพักพ่อนเถิดก็ไม่ยอมเพราะว่านึกเสียดายเงินก้อนนั้นก็กลายเป็นว่าไม่ใช่แค่เสียเงินอย่างเดียวไม่ใช่แค่เสียใจยอย่างเดียวเสียสุขภาพด้ยวยและอย่างนี้นจะเรียกว่ารักตัวเองหรือเปล่าที่จริงรักเงินมากกว่านะไม่ได้รักตัวเองอ่ะเสียดายเงินมากกว่าที่จะ เสียดาสุขภาพของตัวเองก็ไปสุขภาพตัวเองย่าแย่ไม่ใช่แค่เสียใจไม่ใช่แค่เสียสุขภาพนะเสียงานด้วยครูคนนี้ก็ไม่เป็นอันทำงานไม่มีสมาธิเสียใจเสียสุขภาพเสียงานแล้วยังไม่พอนะเสียอง่นอีกเสียบางทีเสียเพื่อน เพราะว่าเครียดหงุดหงิดนะกลุ่มอกกุ่มใจมันก็อารมณ์เสียพออารมณ์เสียแล้วเนี่ยใครอยู่ใกล้ก็เจอลูกหลงหรือบางทีก็พูดเพื่อนพูดไม่ถูกเคาไม่ถูกหู ก, ก็โกรธด่าว่าเพื่อนเสียหายนี่ก็เสียเพื่อนหรือบางทีก็ระบายใส่พ่อแม่นะคนรักคู่ครองเสียสมบัต ภ, ภาพ ถ้าไม่ปล่อยไม่วางนะในสิ่งที่ผ่านไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่เสียใจเสียสุขภาพแล้วก็เสียงานแล้วก็เสียสมรรถภาพหรือเสียเพื่อนแค่เสียใจนี่ก็หนักเอาแรงอยู่แล้วนะสิ่งที่ยึดประการต่อมาคืออนาคตที่ยังมาไม่ถึงสิ่งที่เราปรุงแต่งวาดภาพนะอนาคตยังมาไม่ถึงแต่ก็ปรุงแต่งไปแล้วนะว่า มันน่ากลัวหรือว่ามันจะเลวร้ายไปตัวสุขภาพนะหมอให้มารับผลอีก3วันอ้ตลอด3วันเนี่ยก็นึกจินตนาการไปแล้วว่าอาจจะเป็นมะเร็งนะเป็นโรคร้ายนะแล้วก็3วันนี้ก็เหมือนกับตกนรกเลยแต่พอไปฟังผล หอพ่ไม่เป็นอะไรโอ้โล่ง อ, อกเลยแล้วก็มานึกได้ว่าโอ้เรานี่โง่จังนะไอ้สามอันที่ผามาเนี่ยปล่อยให้ตัวเองตกนรกเพราะว่าความคิดปรุงแต่งแท้ๆปรุงแต่งเกี่ยวกับอนาคตแล้วก็ไปยึดมั่นถือมั่นกับมันนะไอ้การที่คนเราจะปรุงแต่งนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดานะแต่ถ้าไม่ยึดนะรู้จักปล่อยรู้จักวาง นะมันก็ไม่ทำความทุกข์ให้กับเราลองมาพิจรารณาจุดนะความทุกข์ใจทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการยึดในอดีตหรือไม่ก็ยึดในอนาคตนะถ้ายึดติดในอดีตไม่ปล่อยไม่วางก็เศร้าเสียใจนะและบางทีก็อาจจะมีความโกรธแค้นนะ เวลาเราโกรธแค่เวลาเราเศร้าเสียใจในส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วแต่ไม่ยอมปล่อยหรือถ้าเรากังวลเราหนักอกหนักใจเมื่อไหร่นั่นก็หมายค่ะว่าเรากำลังยึดติดในสิ่งที่เป็นอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนะถ้าเราลองปล่อยวางมาลงบ้างนะปล่อยวางอดีตแล้วก็วางอนาคตที่ยังมาไม่ถึงลงไปนะใจก็จะสบาย พูกอย่างนี้ไม่ได้ไหมายความว่าเราไม่ต้องไปนึกถึงอดีตเลยนะเรานึกได้ถ้าเรานึกแบบใช้สติใช้ปัญญาเช่นผ่านไปหนึ่งปีเราก็มาคิ่ควรชีวิตที่ผ่านมาว่าเราได้ทําอะไรดีบ้างอะไรที่เราผิดพลาดที่ควรปรับปรุงบ้างหรือว่าทํางานเสร็จก็กลับไปย้อนว่าเอองานนี้มีข้อควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไรเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วเราพิจารณาว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเหตุการณ์เหล่านั้นอันนี้ ถือว่าดีนะเพราะเป็นการกลับไปพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราไปมองอดีตด้วยความหลงนะก็คือว่าปล่อยใจให้จมอยู่กับความเศร้าโศกเสียใจนะพวกเราจะอาจจะได้สวดมนต์บทหนึ่งไปแล้วนะที่เริ่มต้นด้วยคำว่าบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาลัย ถ้าไป น, นึกถึงด้วยความอาลัยเนี่ยเรียกว่าทำด้วยความหลงนะไม่ใช่ด้วยสติด้วยปัญญาและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่ยังมาไม่ถึงอนาคตเนี่ยถ้าเรามองเพื่อคาดการเนี่ยเราใช้สติใช้ปัญญาเนี่ยได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยวางใจไม่เป็นนะเราก็เกิดความหนักอกหนักใจอันนี้เรียกว่าหลงละไม่ได้ใช้สตินอกจากความยึดติดในอดีตและอนาคตแล้วเนี่ย ปัจจุบันก็สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขนาดเราไปเปลอยึดติดมันก็ไม่ได้นะพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้ปล่อยวางอดีตและอนาคต น, นะปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันนะสมัยหนึ่งเนี่ยพระสมัยสาย พ, พุทธการเนี่ยมีพระองค์หนึ่งชื่อพระองค์คลีมานะพวกเราคงรู้จักนะองค์คลีมาเนี่ยเมื่อบทเป็นพาร์ทแล้วนะท่านก็เป็นผู้ที่ศึกษาฝ่ายศึกษาหาความรู้ มันรู้จักหากรยนานมิตรก็ไปพบพระรูปหนึ่งคือพระนันทิยะพระอมคุลีมาก็สนทนารามกับพระนันทิยะถามว่าผู้เจ้าสอนอะไรบ้างแก่พระนันทิยะพระนันทิยะเนี่ยท่านบวชมาก่อนท่านก็บอกว่าพวกผู้มีพระภาคเจ้าสอนให้ไม่ยึดติด ก, กับข้างหน้าข้างหลังและท่ามกลาง ก็คือปล่อยวางอดีตอนาคตและปัจจุบันนะอารมณ์ใดที่พอใจหรือไม่พอใจที่เกิดขึ้นก็ให้ปล่อยให้วางนะและ้วท่านก็อธิบายต่อไปว่าเนี่ยเขาว่าเรานะบนบกก็ให้กองวางคำด่านั้นลงไว้ตรงนั้นไม่ต้องเอาลงน้ำเขาว่าเราในน้ำก็กองหรือวางคำดา่าตรงนั้นไม่ต้องเอาขึ้นบกนะ เขาด่าว่าเราในเมืองก็วางเอาไว้ตรงนั้นไม่ต้องเอากลับมาเข้าวัดนะที่ประเด็นสําคัญที่คือก็คื อ, ค อ, คอที่พระนันทิยาพูดนะว่าให้วางทั้งข้างหน้าข้างหลังและถ้ำกลางก็คือปล่อยวางอดีตอนาคตและปัจจุบันปัจจุบันในที่นี้เนี่ยก็ จ, จะหมายถึงเช่นตอนนี้เราปวดนะเรากาลังเจ็บเราปวดอยู่นะเพราะเรานั่งนานความปวดความเมื่อยเนี่ยเราเรียกวเวทนามันก็เป็นปัจจุบันนะ ถ้าเราถ้าเราปล่อยวางมันนะมันก็ทุกแต่กายนะใจไม่ทุกแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเรามักเผลอเข้าไปยึดเอาเวทนานั้นมาเป็นของเรามาเป็นตัวกูของกูไปเกิดความรู้สึกวกูปวดกูปวดกูเมื่อยขึ้นมาอันนี้เรียกว่าเกิดความทุกข์ใจขึ้นแล้วนะเพราะว่าไปยึดเอาปัจจุบันหรือมีเสียงดังนะรถมอเตอร์ไซค์ก็ดีนะเสียง ริงโทนดังขึ้นกลางสารา น, นี่ก็ดีพอใจเราไปจดจ่ออยู่ที่เสียงนั้นเนี่ยเราจะหงุดหงิดทันทีเลยไปจดจ่อเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงริงโทนก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะเริ่มเกิดอาการกระเพื่อมขึ้นที่ใจ เ, เกิดความไม่พอใจแล้วจากความไม่พอใจก็กลายเป็นความหงุดหงิดแล้วกลายเป็นความโกรธได้อันนี้เพราะว่าใจไปจดจอ่อใจไปยึดติดนะอยู่กับเสียงนั้น แทนที่จะมาสนใจฟังคำบรรยายนวตมานะก็เปล่าเนะมื่อจะยึตติกับอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันนะอารมณ์ในที่นี้หมายถึงว่ารูปรดกลิ่นเสียงนะหรือว่าสิ่งที่นึกคิดในใจนะเราเรียกว่าอารมณ์เนะี่ยเป็นภาษาธรรมะเมื่อใดก็ตามที่ไปจดจ่อยึดติดกับอารมณ์ปัจจุบันนะแล้วก็ไม่ปล่อยไม่วางก็จะทุกข์เลยลยิ่งทุกข์เนี่ยก็ยิ่งยึดนะ ยิ่งโกรธเสียงนั้นยิ่งไม่พอใจเสียงนั้นใจก็ยิ่งจดจ่อกับเสียงนั้นเหมือนกับเราไม่ชอบใครเนี่ยไม่ชอบใครบางคนตั้งที่เป็นงานเลี้ยงคนเป็นร้อยแต่พอเห็นคนนั้นเนี่ยเข้ามาในงานสายตาเราก็จะกวาดแล้วก็จดจ้องอยู่ที่คนคนนั้นแหละไม่สนใจคนอื่นเลยแล้วพอเราจดจ้องคนคนนั้นเนี่ยแล้วเป็นงานเราก็ทุก แล้วยิ่งทุกข์เราก็ยิ่งจดจองมากขึ้นนะยิ่งเราเกลียดใครยิ่งเราโกรธใครเราก็ยิ่งยิ่งคิดถึงคนนั้นไม่ว่าคนนั้นเป็นอดีตนะผ่านไปแล้วหรือว่าคิดว่าจะเจอเขาในวันพรุ่งนี้หรือว่าปรากฏอยู่นะใกล้ๆเรานั่นก็คืออดีตอนาคตและปัจจุบันให้การยึดติถือมาน่นนี่มันทำให้ทุกข์ทั้งนั้นเลยนะเรามาคิดว่า คนอื่นทำให้เราทุกข์เขาว่าเราเขาว่าเราแต่ถ้าเราไม่ยึดติดในคําพูดของเขานะเราก็ไม่ทุกข์ใจใช่ไหมคนอื่นเนี่ยใครจะขโมยเงินเราไปเนี่ยมันไม่ทําให้เราทุกข์ใจได้แต่เพราะเราไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางตังหงและความยึดมั่นอันหนึ่งที่สําคัญมากคือความยึดมั่วเป็นตัวกูของกูนะ ยิ่งยึดมั่นว่าโทรศัพท์เป็นของกูมากเท่าไหร่พอมันหายไปนี่หรือว่าถูกขโมยไปนี่นะจะทำใจไม่ได้เลยจะมีแต่ความทุกข์ยังยึดว่าเป็นของกูอยู่นะตกน้ำไปแล้วนะมันไม่ใช่ของใครแล้วนะก็ยังยืดเป็นของกูงนั่นแหละไอ้ความยึดเป็นของกูเนี่ยก็เป็นตัวการสําคัญที่สุดเลยนะในการก่อความทุกข์ให้กับเรา ถ้าเป็นของคนอื่นนี่เราก็ไม่สนใจโทรศัพท์ของเพื่อนเงินของเพื่อนหายไปเราก็เฉยเฉยแถมยังแนะนำเขาด้วยว่าเออเงินทองเป็นของนอกกายนะหาใหม่ได้แต่พอของของเราเองหรือของที่เรายึดมาเป็นของเรามันเกิดหายไปถูกคนขโมยไปเนี่ยโอ้ทำใจไม่ได้ก็เพราะความยิดมาเป็นของเรานั่นแหละยึดเป็นของเราพอยึดเป็นของเราเราก็อยากให้มันเที่ยง เหนะมือนกับที่เรายึดร่างกายนี้ว่าเป็นของเราของเราก็อยากให้มันให้มันสวยให้มันหนุ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวไปตลอดนะพอมันไม่เป็นไปอย่างที่ใจนึกนะีเข่นมีสิวผิวแห้งผมแตกปลายเนี่เอาละทุกเลยไม่ต้องถึงขั้นเจ็บป่วยและยิ่งขั้นเจ็บป่วยด้วยแล้วนี่ก็ยิ่งทุกข์ก็ไปใหญ่เพราะมันสวนทางกับความยึดมั่นของเรา ยึดให้มีความยึดมั่นนะให้เป็นปกติให้มันคงที่ให้มันเป็นสุขอยู่เสมอนะความเจ็บป่วยเนี่ยโรคโรคภัยไข้เจ็บนี่ไม่ทําให้ทุกข์ใจนะมันทําได้อย่างมากแค่ทุกข์กายแต่ที่ทุกข์ใจเพราะว่าความยึดมั่นถือมั่นของเรายึดมั่นว่าเป็นของเราเป็นของเรายึดมั่นว่ามันต้องเที่ยงยึดมั่นว่ามันต้องสุขเนี่ย คนอื่นสิ่งอื่นเนี่ยไม่สามารถจะทำความทุกข์ใจให้กับเราได้อย่างมากก็แค่ทำให้ทุกข์กายหรือว่าทำให้เสียของเสียทรัพย์แต่ไม่สามารถจะทำให้เกิดความทุกข์ใจหรือว่าไม่มีใครสามารถจะขโมยความสุขใจไปจากเราได้มีแต่ใจเรานั่นแหละนะที่เป็นตัวการเป็นสาเหตุเนะมื่อวานนี้ก็พูดไปแล้วนะตบมือข้างเดียวไม่ดัง คนหน่งเขาจะทําอะไรเราแต่ถ้าใจเราไม่ไปร่วมมือไม่ไปเอออหอมกด้วยหรือไม่แปะอนุ ญ, ญาตนะเขาก็ไม่สามารถจะยดเยียความทุกข์ให้กับเราหรือว่าขโมยความสุขไปจับใจเราได้และสิ่งที่เป็นตัวการหรือว่าไอการวางใจของเรานะที่มันเป็นตัวการทําให้เกิดปัญหานี่คือความยึดมั่นถือมั่นนะ ปัญหามันจะมีกี่ร้อยกี่พันอย่างถ้าเราไม่ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นกับปัญหาเราเนี้ยมันก็ไม่ทําให้ทุกข์นะเคยมีนายตำรวจคนหนึ่งนะเป็นคนที่ซื่อสัตย์มากแต่ว่ามีความทุกข์เพราะว่าที่ทํางานตั้งแต่เจ้านายลูกน้องแล้วก็เพื่อโรงงานนี่เขาก็ตาทางกลั่นแกล้ง ก็เลยไปปรึกษาหลวงพ่อชาหลวงพ่อชาสุพัทโทนะว่าหนองประพงษ์หลวงพ่อชาท่านก็นมรณภาพไป22ปีแล้วไปหาหลวงพ่อชาก็ระบายอย่างเดียวเลยนะระบายว่าเนี่ยมีความขับแค้นใจอย่างไรบ้างมันเต็มไปด้วยปัญหาอุปสรรคในที่ทํางานอย่างไรบ้างเจ้าหน้าก็กั่นแกล้งนะ เพื่อนก็คอยเลื้อยขาเก้าอี้พ่อตัวเองเนี่ยซื่อสัตย์สุสสจริตไม่กินตามน้ำโวยสารพัดปัญหาก็พลั่งปลวกมาหลวงพ่อชาติท่านก็ฟังฟังอย่างเดียวเลยจนกระทั่งเขาพูดจบก็นานทีเดียวนะเส แ, แล้วหลวงพ่อก็ไม่ได้แนะนำอะไรแต่ชี้ไปที่ก้อนหินที่วางอยู่ข้างหน้าถามว่าหินก้อนนั้นเนี่ย ถามาเห็นเห็นหินก้อนนั้นไหมเห็นครับมันหนักไหมหนักครับแบกไหวไหมแบกไม่ไหวครับเออถ้าไม่แบกก็อย่าแบกมันนะพูดเท่านี้เนี่ยนายตำรวจท่านั้นก็ได้คิดเลยนะว่าที่เราทุกข์เนี่ยทีแลกไปเข้าใจว่าทุกข์เพราะคนนั้นคนนี้นะทุกข์เพราะว่าปัญหามากมายแต่ที่จริงทุกข์เพราะตัวเองไปยึดไปแบกปัญหานั้นต่างหา ปัญหามีแต่ถ้าไม่ไปแบกมันก็ไม่ทุกใจนะเหมือนก้อนหินนะก้อนหินที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันหนักก็จริงตถ้าไม่ไปแบกมันเอาไว้จะเหนื่อยไหมมันจะทุกไหมที่ทุกข์เพราะไปแบกมันเอาไว้ทางออกก็มีทางออกก็ไม่ยากเลยเลยนะถ้าไม่อยากให้ทุกข์ใจก็คือวางมางันลงนะคนเราเนี่ยมันหนีปัญหาไม่พ้นนะ แต่อยู่ที่ว่าเราจะทํายังไงกับปัญหาเหล่านั้นเราจะแบ่งมันไว้ตลอดเวลาหรือว่าเราจะรู้จักปล่อยบ้างจริงอยู่การปล่อยมันไม่ได้ทำให้ปัญหาหมดไปนะแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ทําให้ใจไม่ทุกข์ส่วนถ้าต้องการให้ปัญหาหมดไปก็ต้องไปแก้ที่ปัญหาอันนั้นก็เป็นอีกประเด็ น, ดนหนึ่งจากสิ่งที่เราควรทําก่อนคือว่าทําใจไม่ให้ทุกข์นะเรียกว่าทําจิตนะ ส่วนการแก้ปัญหานะปัญหาในที่ทำงานปัญหาในครอบครัวอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ควรทำอันนี้เราเรียกว่าทำกิตนะทำจิตและทำกิจเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ควรทำทั้งคู่แต่ว่าอย่างน้อยอย่างแรกสิ่งที่ควรจะทำคือทำจิตก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ทำจิตเนี่ย เรากุ้มอกกุ้มใจแล้วเนี่ยเจ้ากำลังเอาสติปัญญาที่ไหนไปไปใช้ในการทำกิจนะไปใช้ในการแก้ปัญหาเาะนั้นะทาจิตที่สำคัญคือการรู้จักปล่อยรู้จักวางนะแต่สิ่งที่น่าคิดคือว่าทำไมในเมื่อการแบกทำให้ทุกข์และทำไมคนเรายังยังแบกยังแบกอยู่ การนึกถึงอดีต ท, ทำให้ทุกข์แต่ทำไมก็ยังคิดถึงอดีตอยู่สิ่งที่มาไม่ถึงพอไปยึดถึงมันเข้ามันเดือนหน้าต้องจ่ายนี่ต้องผ่อนรถไม่มีเงินกู้หม อ, อกุ้ใจทั้งที่ทุกข์นะแล้วทำไมยังแบกมันอยู่ก็เพราะลืมตัวเพราะไม่รู้ตัวก็คือไม่มีสตินั่นแหละนะความไม่มีสตินี่มันทำให้เราไปหลงแบกนะหลงยึดนะ แล้วความไม่มีสตินี่ก็เกิดขึ้นได้หลายอย่างเช่นความโลภนะอย่างลิงเนี่ยที่มันมันกลามมาไว้แน่นเพราะมันโลภแต่ตอนล้ําก็ตกใจนะพอคนมาเนี่ยมันก็ตกใจแต่มันก็ยังกลรรัมอยู่อันนี้เพราะความตกใจแล้วความโกรธก็ทําให้หลงพอหลงแล้วก็ยึดแล้วพอยึดแล้วก็ทําให้หลงมากขึ้นแล้วก็ทําให้โกรธมากขึ้นนะงั้นถ้าเรา ไม่มีสติเนะี่ยเราก็จะเผลอยึดไปไม่จบไม่สิน้นหรือว่าจนเหนื่อยลา้าสังเกตไหมเวลาเราเจริญสติเวลาเราสร้างจังหวะเนี่ยที่นี่บางครั้งเราก็เผลอไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้ไม่สบายใจเรื่องที่ทําให้ขุนเคืองแต่เราก็ยังทุกข์อยู่แล้วเราก็เราก็ทุกข์ทุกข์กแล้วก็ยังคิดต่อนะแต่พอเรามีสติรู้ทันว่าเรากําลังปรุงไปแล้วนะพอรู้ปุ๊บมันวางเลยพอวางเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้น เกิดความสบายเมื่อความรูสุกเตัวตามมานะก็เกิดความปโปร่งร่วงเบาสบายสติไม่ช่วยทำให้ปล่อยวางนะนะเสียงมันจะมานะอย่างไรใจก็ไม่ไปยึดนะอย่างที่เล่าเนะี่ยเสียงเกี้ยมันจะดังเข้ามาในห้องแต่ว่าหูไม่ไปลองเกียนะ้ยมันก็ไม่ทุกข์แม่แปลวหูลองเกีย้ยก็คือไม่ไปยึดมั่นถือมั่นกับเสียงนั้น แล้วจะรู้ได้แล้วทาไงถึงจะรู้นะก็เพราะมีสตินะมีสติรู้ว่าโอยแล้นี่เอาหัไปลองเกีย้ยแล้วเอาหัไปนะไปจดจอ่อไปแบกเอาไว้เอาใจไปแบกเอาไว้มันก็รู้ทันแล้วก็วางได้หเห็นด้วยสติรู้ด้วยสติแนละ้วก็ทําให้วางรู้อีกอย่างหนึ่งนะก็คือรู้ด้วยปัญญานะ เชื่อว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราบังคับก็ไม่ได้สั่งก็ไม่ได้สั่งให้หนุ่มให้สาวเสมอมันก็ไม่ยอมสั่งให้ไม่เจ็บไม่ปวดมันก็ไม่ยอมนะแม้แต่สั่งให้ให้ไม่ปวดนะไม่ปวดขาไม่ปวดท้องมันก็ไม่ยอมงั้พิจารณาดวงนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ยิ่งถ้ารู้จักใช้การเจริญวิปัสสนาด้วยเนี่ย มันก็จะเกิดปัญญาจนกระทั่งรู้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงเมื่อรู้เช่นนี้เนี่ยก็วางเองเลยนะไม่ต้องมีใครมาสอนไม่ต้องมีใครมาแนะมันวางเองเหมือนกับที่เคยนึกว่าไอ้สิ่งที่เราแบกเนี่ยคือนุ่นแต่ที่จริงเนี่ยมันคือหินนะพอรู้เช่นนี้มันก็วางเลยหรือว่าที่เคยนึกว่าไอ้ทิกรรมเนี่ยคือทอง แต่ว่าเมื่อตาสว่างแล้วพบว่ามันก็คือก้อนขี้เนี่ยนะมันก็วางเองเล ย, เ, ยเมือนกับที่เคยแบกหีบเอาไว้เพราะเข้เาใจว่าในหีบนั่นคือธนบัตรนะมีเงินเป็นล้านๆแต่บอกว่ามารู้ความจริงว่าที่จริงมันเป็นแบงก์กองเต็กพอรู้ว่าเป็นแบงก์กองเต็กนะไม่มีค่าเลยนะมันวางเองเลยอันนี้เราปัญญาทาให้ปล่อยวางนะปัญญาทำให้ไม่ยึดติด าการเจริญสติถึงจุดหนึ่งะจุดหมายสูงสือคือทำให้เกิดปัญญาไม่ใช่แค่รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นไ ม, ไม่ใช่แค่รู้ทันความคิดที่เกิดขึ้นเท่านั้นแต่สามารถจะเห็นทะลุดทะลงไปถึงขั้นว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นเราเป็นของเราเลยถึงตอนนั้นแหละนะมันก็ปล่อยวางหมดแล้วก็เกิดความสบายขึ้นมานความทุกข์ใจเนี่ยมันหมดไปเพราะว่าเกิด ปัญญาเห็นความจริงนะว่าไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้เลยให้เราเข้าใจนะจู่ของของการปฏิบัติธรรมเนี่ยคืออันนี้โดยมหังการศึกษาธรรมก็คืออันนี้คือเกิดปัญญาจนเห็นว่าไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นได้สักอย่างแม้กระทั่งร่างนี้กายนี้นะหรือว่าจิตใจของเราจิตใจที่เรายึดเป็นของเราด้วยซ้ำนะํำเมื่อปล่อยวางอย่างสิ้นเชิงนะ ก็เกิดความเบาสบายเป็นอิสระไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ทำให้เป็นทุกข์ไม่ได้เอาละชาติเนียเพื่งเท่านี้นะกลับครับ